เรื่องผ้าปูเตียงสี่เรื่อง133สมัยนั้นภิกษุผู้เที่ยวบินธบาตเป็นวัดรูปหนึ่งพบผ้าปูเตียงมีราคามากเกิดทยจิตขึ้นมาแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเพียงแต่คิดไม่ต้องอบัต